ต่อในช่วงนี้อากาศก็รุมหนาวแล้ร้อ น, อนปนกันไปกลางวันร้อนช่วงเช้าตรนเย็นหนาวนะ <c oughs> นก็อากาศแบบนี้ก็เรียกว่าทำให้เป็นป่วยไข้ไม่สบายได้ก็เรารมัระวังเอาร่างกายของเรามัน <c oughs> ธรรมชาติของมันก็คือเกิดขึ้นแปลปรนแล้วก็ดับไปหมุนเวียนแบบ น, นี้ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจดูกลไกธรรมชาติของมันเราก็จะกิทข้ขงเราก็จะเป็นแปลปรนเกินไปด้วยเราก็จะดู ไม่มีความสุขไม่มีความเย็นไม่มีความสงบจริงๆอย่างไร ใ, ใจของเราก็ยังสับสนวุ่นวายแปรปวนไปตามอาการของเวทนาที่เกิดจากดินฟ้าอากาศแต่ถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราก็จิตใจของเราก็ไม่แปรปวนไปตามเกิดเพีงแต่ดูมันเฉยๆนะ ซึ่งก็อยู่ได้สบายนะเพราะว่าใจของเราไม่ไปกับอาการของเวทนาที่เกิดใจตรลักษ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลานะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ฝึกฝนศึกษาเรื่องนี้สักเท่าไหร่เราจะรู้มัน ดีขนาดไหนก็ตามแล้วก็ยังอดที่จะเป็นกับมันไม่ได้ในเวทนาต่างๆสุขบ้างทุกบ้างแปรปรวนเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาอ่อนเพลียง่วงเหงาเฮาน อ, อนสลับกันไปสลับกันมาซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจตลอดเวลาเพราะนั้นเราจึงมาศึกษาปฏิบัติธรรมโดยเหตุผลที่ ว่าจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่แปรปรวนไปกับเหตุการณ์ดินฟ้าอากาศได้อย่างไรนี่อันนี้คือเหตุผลที่ว่าเราทำไมต้องมาศึกษาเรื่องวิปัส <c> น <oughs> าทำไมศึกษาเรื่องนี้มันร้0ยทั้งร้อยก็ต้องเป็นไปตามตามตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงต่อเวลาซึ่งมันก็เป็นกฎของ โลกของจักรวาลกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณแต่ที่ไม่มีวิญญาณมันก็แปรปรวนไปอีกแบบหนึ่งมันอาจจะดูไม่เหมือนไม่แปรปรวนแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆมันก็แปรปรวนมันมันใจเราหละมันต้นไม้ใบหญ้าถึงรูดูการก็แปรปรวนไป หน้าฝนมันก็เขียวพอไปถึงหน้าร้อนมันกรอบก็แห้งก็หล่นถหน้าหนาวก็แหแก่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกๆฤดูกาลแต่ฤดูกาลทางภายนอกเนี่ยสามเดือนสี่เดือ น, นมันหมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงไปครั้งหนึ่งแต่ฤดูกาลของจิตของเราเนี่ยมันหมุนเวียนตลอดเวลา นะบางทีวันมันเปลี่ยนทั้งหลายฤ ด, ดูเดี๋ยวไปดูหนาวเดี๋ยวไปดูแล้งเดี๋ยวไปดูดูฝนเปไ็นฤดูการของจิตดูหนาวก็ไปเสมือนจิตของเราเนี่ยมันสุขสนานนะอยากได้นะ่นอยากได้นี่ต้นไม้มันก็จะเวาลาหน้าฝนมันจะเขียวสดงดงามนะเมื่อว่ามันกําลังได้อย่างใจ ก็ชอบใจแต่พอเข้าไปสู่ฤดูแรงมันก็จะร้อนกรอบจะหิวเช่าเงาส่งต้นไม้จิตใจของเราเหมือนกันมันก็เกิดความกรอบความแห้งหิวใจความหดหู่ใจความเงาใจแล้วความไม่ไม่ไม่สบายมันก็เราตากแดดนั่นแหละ อัดพนหน้าหนาวมันก็จะเย็นแปรปรวนสลับไปสลับมาใจของเราถึงฤดูหน้าหนาวก็เงารู้สึกโดดเดี่ยวเปลี่ยวเงาไม่ไม่อุ่นใจแต่นั้นเองเราก็ต้องสำรวจว่าร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นผลพวงของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติภายนอกเหมือนกัน เราก็เลยต้องมาศึกษาปรับให้จิตใจของเราเนี่ยไม่แปรปรวนไปตามอารมณ์อารมณ์คือฤ ด, ดูการนี่นแหละนะเราก็จะพอมีความสุขสงบได้บ้างแต่การศึกษาวิปัสสนาก็คือการมาศึกษาความจริงในร่างกายของเราความจริงที่มันกําลังเป็นกําลังมีอยู่เช่นเรามีการนั่ง ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดเบือ่อเซิงอะไรเนี่ยมันก็สลับก็ปรากฏอยู่ยนะครับแต่เราก็ศึกษามันศึกษาเพื่อที่จะแยกมันออกจากใจเนะี่ยไม่ให้ใจเป็นไปด้วยไม่ให้ใจมันทุกไปกับอาการแปลปวนเหล่านั้นมันก็เห็นนะเห็นการแปลปวนสูบบ้างทุกบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างก็ซ้ำ บำบัดปัดเป่าอยู่ตลอดเพราะะนั้นอาการบำบัดทุกข์ของเราเราจะเห็นได้จากการที่เรามีการเคลื่อนไหวนี่ตลอดเราจะนั่งโดยที่ไม่นิ่งหร่อไม่ดูที่นิ่งอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ได้ต้องได้ดินได้ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวอ่าทีนี้ท่านผู้รู้ท่านก็เลยเอาปรับเอาการเคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นตัวกำลังของตัวรู้ไปซะ แทนที่จะมันจะเป็นกําลังของตัวตั ว, ตวทุกนะแต่ก็ปรับอาการเคลื่อนไหวมาเป็นกําลังของตัวรู้ด้วยการรวมการเคลื่อนไหวนี่ให้มันเป็นจังหวะจะาโกนมีเจตนาเข้าไปร่วมการเคลื่อนไหวให้มันมีระเบียบนี่เขาเรียกว่าจะแปลพลังทุกข์ให้เป็นพลังรู้เหมือนเขาแปลพลัง แสงสว่างของพระอาทิตให้เป็นพลังแสงสว่างของไฟนะให้เป็นสุรากิลแต่จะต้องมีตัวเป็นมอนิเตอร์ที่จะแปลงเลืเรก่าตัวแปลงมันซึ่งตัวนี้แหละมันจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณความร้อนให้เป็นสัญญาณแสงสว่างเพราะนั้นตัววิปัสสนากรรมฐานหรือตัวภาวนาเนี่ยคือตัวแปลงสัญญาณ ของทุกขเวทนาต่างๆนี่ให้เป็นตัวพลังของตัวรู้ตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญานะทีนี้แปลงอย่างไรเนี่ยเราก็หันกลับเข้ามารูนะ้รู้สิ่งที่เราเคลื่อนเอาไว้รู้สิ่งที่เราสบายไม่สบายเข้าไปรู้มันรู้ว่าไงนะก็รู้ว่ามันจะต้อง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดเราก็รู้มันเฉยๆการเข้าไปรู้มันเฉยๆเนะี่ยมันได้แปลงเรียบร้อยแล้วแปลงเป็นพลังรู้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจึงมีการจัดระเบียบการเคลื่อนไหวสมัยนะให้เป็นจังหวะจากโกลนเรียบเรียงการเคลื่อนไหวให้มันเป็นระบบเป็นจังหวะแทนที่จะให้มันเคลื่อนไหวไปตามสัญชตาตญาณหรือตาม ความต้องการของจิตหรือตามความเคยชินเราก็เอาเอาตัวสติเข้าไปตามรู้ซะตามรู้การเคลื่อนไหวเนะี่ยจัดระเบียบมันใหม่อย่างเกิดประโยชน์คือได้ประโยชน์ทุกเป็นตัวรู้ขึ้นมานั่นเองแต่เป็นตัวรู้ที่มีอ่า มีเจตนาไม่ใช่ตรู้แบบไม่เจตนาแต่ที่รู้ที่ไม่เจตนาเขาเรียกรู้แบบสัญชตาตญาณนะซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์ในแง่การภาวนาแต่ถ้าเรามีเจตนารู้เข้าไป <c oughs> ทุกๆ ก, การเคลื่อนไหวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามกำลังสติของเรานะแต่ถ้าหาว่ากาลังสติของเรายังไม่เพียงพอเนี่ยเราก็ดูการ เคลื่อนไหวได้ระดับหยาบๆแต่การเคลื่อนไหวระดับละเอียดมีอีกเยอะการเคลื่อนไหวของกายหยาบการเคลื่อนไหวของกายละเอียดการเคลื่อนไหวของเวทนาที่หยาบการเคลื่อนไหวของเวทนาที่กลางละเอียดการเคลื่อนไหวของจิตความคิดที่หยาบการเคลื่อนไหวของจิตความคิดที่กลางละเอียดการเคลื่อนไหวของอารมณ์การเคลื่อนไหวของระดุมระดับกลางและหยาบเป็นต้นนี้ มันมีหลายระดับแต่เราจะรู้ได้ถึงระดับไหนนี่ยอยู่กาลังตามกำลังสติปัญญาของเรานั้นเราจึงฝึกฝนเยอะฝึกฝนกำลังของสติเยอะเพื่อให้มันมีพลังที่จะสามารถรู้ลึกลงไปถึงการเคลื่อนไหว ร, ระดับต่างๆอย่างชัดเจนนะแต่ว่า ถ้าเราไม่ใส่ใจที่ศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ปล่อยมันผ่านผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเพียรที่จ ะ, ะศึกษาเรื่องนี้ปั๊บนี่เราก็ตั้งตั้งสติตั้งสมาธิคอยสังเกตคอยอปรับเรียบเรียงไปเรื่อ ย, เ ร, อยเรื่อยนะ่ะตามลาดับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัว แผงสซลร์เซลลวที่เราเราติดตั้งไว้เพื่อจะเรียบเรียงมวลแสงแดดให้เป็นกำลังของไฟฟ้า <c oughs> เป็นกลังของนิวตรอนของไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยมันก็จะต้องมีวางระบบค่อนข้างจะแนบเนียนและซับซ้อน แต่มาในแง่ของนามธรรมคือความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเรียบเรียงได้เหมือนรูปธรรมเพราะว่ามันเป็นนามธรรมแต่มันก็ขบวนการเดียวกันนะเพราะเตตัวนามธรรมเองมันก็จะเติบโตมาจากรูปธรรมและรูปธรรมเองก็เติบโตมาจากนามธรรมเพราะว่าบางครั้งพลังงานก็เปลี่ยนเป็นสาสาร มันครั้งสสารก็เปลีป่ยนพลังงานสลับปรับเปลี่ยนกั่างเงี้ยเป็นเหตุปัจจัยของอะไรกันแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจะบวนการอันนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ไม่เห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นคุณค่าของความเคลื่อนไหวต่างๆในร่างกายแล้วก็ปล่อยการเคลื่อนไหวนี่ผ่านไปอย่างไม่มีระเบียบตามแต่ ใจจะพาไปตามแต่ความอยากจะพาไปดังนั้นเองชีวิตของเราถึงเป็นทุกข์เพราะความอยากพาไปนั่นเองแต่ถ้าให้ความรู้พาไปก็เหมือนแสงสว่างพาไปถ้าความอยากพาไปก็เหมือนความมืดพาไปก็มีผลต่อชีวิตต่างกันนะตอนนั้นเราก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกเอาอะไรเป็นตัวนําชีวิตเอาแสงสว่างหรือเอาความมืด แต่ความจริงก็ไม่มีใครต้องการความมืดเป็นตัวนำแต่ว่าเพราะไม่เข้าใจระบบนี้ก็จึงยอมให้ความมืดเป็นตัวนำโดยที่ไม่รู้ว่ามันนำอย่างไรเหมือนกันนะก็คือเอาความอยากเองเป็นตัวนำแต่ทีนี้มันก็จะต้องมีข้อจากัดว่าอยากระดับไหนที่เรียกว่าความอยากที่มันจะเป็นทุกข์เนี่ยอยากระดับไหนเพราะ การที่เราอยากอาหารการที่อยากหลับอยากนอนการที่อยากกินอยากถ่ายพวกนี้มันก็เป็นความอยากเหมือนกันความอยากที่จะถือว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยคือความต้องการของร่างกายความต้องการของร่างกายซึ่งเป็นเราไม่เรียกความอยากก็เรียกว่าเป็นความจำเป็นของร่างกายความต้องการทางร่างกายถ้าหากเ่าตอบสนอง ในความตามพอเหมาะพอดีแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือรักษาลูกปรธรรมเอาไว้ด้วยการตรอบสนองในความพอเหมาะพอดีและสิ่งที่เหมาะสมนี้เราก็ไม่เรียกว่าความอยากแต่พอเราตรอบสนองความต้องการของร่างกายที่เกินจาเป็นและแยกไม่ออกว่าความอยาก ความต้องการที่ปรากฏมนเปนความต้องการของกายต้อการของจิตนี่ที่พอเราแยกความอยากออกไม่ชัดนี่เองมันก็เป็นส่วนให้เกิดความสั่งสมความทุกข์ไปทีละนิดนะเช่นว่าเร า, าทานอาหารอิม่มทาอาหารอิม่มด้วยอาหารชนิดใดก็ได้อิม่มข้าหายหิวได้บำบัดหิวได้ แต่บางครั้งเราไม่ต้องการที่บำบัดความหิวอย่างเดียวเราต้องการที่จะให้เกิดรสชาติ อ, อร่อยด้วยตรงนี้ถือว่าเกินจําเป็นไหมซึ่งไอ้ความซับซ้อนความรู้สึกนเนี่ยมันยากแก่ควกัเข้าใจเพื่อองค์ท่านจึงแนะนําให้เราได้ศึกษาให้แยกออกระหว่างความต้องการทางกายและทาง ความต้องการทางกายเป็นความจำเป็นทางธรรมชาติแต่ความต้องการของจิตนั้นมันเป็นสิ่งที่ตามมาทีหลังซึ่งถ้าเราให้มันแต่พอดีเนี่ยมันก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยมหมรยความว่าให้จานวนพอดีอร่อยก็อร่อยแต่พอดีทานก็ทานแต่พอดีไม่มากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัย แต่ถ้าหากว่ามันเกินพอดีอร่อยเ็กเกินรสจัดหลือเกินรสดีเลือเกินเเพราะเกินทั้งเนี่ยมันจะก่อเกิดปัญหาทีนทีนก่อให้เกิดเป็นนิสัยส่วนเกินขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเราชอบอะไรก็ชอบมากเราพอใจอะไรก็พอใจมากๆเราชังหรือเราเกลียดสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใดก็ไม่ชอบเอามากๆเนี่ยก็เพราะว่าเราเกินพอดี เกินควาดีก็เพราะเราไม่รู้จักความพอดีของความต้องการทางร่างกายมาก่อนเป็นเหตุมันก็ออกมาเป็นผลให้จิตของเราเนี่ยไปรักไปชอบไปชังไปนั่นไม่ไม่พอดีเกินจําเป็นนั่นเป็นเหตุของทุกข์เขาเรียกว่าตัณหาเนะนั่นเองการที่เราขอนขายศึกษาภาวนาด้วยการมาศึกษาความจริงเนี่ยมีอนิสง์ ทำให้เราได้พ้นจากความทุกข์และปัญหาได้ถ้าหากว่าเราจับประเด็นจับทางได้ถูกนะจับประเด็นจับทางได้ถูกก็หมายถึงว่าใส่ใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจของเราใส่ใจต่อสิ่งที่มันกำลังดำเนินไปว่าคืออะไรและใส่ใจต่อสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่อย่างนี้เรื่อยไปต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผู้รองค์แต่ว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้น ทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปถ้าไม่มีทุก์แล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนั่นแล้วจะเห็นว่าร่างกายของเราก็ทุกจีเจของเราก็ทุกมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ความทุกข์พระเจ้าจึงเอามาบัญญัติเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งลุกทุกขะอริยสัจนะความจริงแท้คือทุกเนี่ยทุกคนมีอยู่ แต่อันที <ba> ่สองท่านบอกว่าเมื่อมีทุกข์แล้วทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกข์มีที่ไปที่มาทุกข์มีเหตุแล้วก็ตามศึกษาไปถึงเหตุเกิดทุกข์ก็รู้ว่าอ๋อทุกข์มันเกิดเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้เองทุกข์เกิดเพราะความสุดตรงเกิดเพราะเกินความพอดีใช้คำว่าสุดตรงสุดตรงซ้ายแล้วก็ไปติดสนุกสนานในเรื่องทุกข์ตรงขวาก็สนุกสนานในเรื่องสุข ติดสุขคนที่ติดทุกข์ก็มีเนะช่นคนติดเหล้าติดบุหรีติ ด, ตดการเล่นสนุกสนานติดเกมติดอะไรรุนแรงเนะี่ยางทั้งที่มันมันไม่ได้สุขอะไรแต่มันสนุกแบบเจ็บปวด ก, กินอาหารเผ็ดๆกินอาหารจัดๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ของสุขแต่ว่ามันทุกข์แต่เราก็เพลินในทุกข์ การเพลินในสุเพลินในทุก น, นั่นเองถูกเกินพอดีทุกเกินพอดีนั่นเองท่านเรียกว่ามันสุดตรงทําให้ชีวิตเป็นทุกข์เพราะสุดฉุดเกินและสุดตรงพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ใช้ชีวิตแต่พอดีนะคือมัชฌิมาปฏิปทาร่างกายเราพอดีแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะร่างกายมันทานได้แค่นี้กินได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แต่เราส่วนใหญ่เราก็ต้องเพิ่มเติมเสริมแต่งให้มัน ได้มากามากทำอาหารเรื่อยๆเพื่อจะได้กินมากๆกินมากมาก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมามากๆในส่วนนี้เองคือสมุทัยแต่ท่านบอกว่าเมื่อมันมีสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเนี่ยท่านบอกาสามารถดับได้ถ้ารู้จักวิธีเนี่ยดับได้ถ้าเร็ววันนิโรธถ้ารู้จักวิธีถ้าเร็ว่ามรักอนนี้จะสี่ก็สุข ทุกสมุทัยนิโรธมากก็คือทุกนี้เกิดมา2ทุกมีเหตุ3ทุกที่ดับได้4มีวิธีดับไม่ว่าทุกอะไรก็ตามทุกทางกายทุกทางใจทุกทางรูปทุกทางนามดับได้หมดถ้าเรารู้จักวิธีนะเพราะฉะนั้นเรามาวิปัสสนาจึงมารู้จักมาเรียนรู้วิธีวิธีนั่นเองวิธีที่จะดับทุกวิธีจะแก้ทุกทุกอย่างและเรียนรู้ไปเรื่อยๆ เรทดสอบไปเรื่อยทดลองไปเรื่อยจนกระทั่งว่ามันเข้าใจพอเข้าใจสามารถดับทุกแก้ทุกถูกวิธีอย่างชี้ชำนาญแล้วทีนี้ชีวิตของเราก็จะมีความสบายความสงบโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปทําเพียงแต่เอาอความทุกออกไปความไม่ทุกก็ปรากฏแต่ความไม่ทุกนี่ไม่ได้หมายถึงความสุขนะ มันเหนือความสุขมันเหนือความทุกข์สุขทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันอยู่คนละขั้วถ้าแสวงหาสุขเดี๋ยวมันก็ไปพบทุ ก, กข์แล้วก็ดิ้นหนีจากทุกข์มันก็ไปพบสุขพอไปพบสุขแล้วก็ดิ้นแล้วก็ไปเพินในสุขก็แปลบบปวดเป็นทุกข์สลับกันอยู่อย่างเงี้ยเนั้นสุขทุกข์คือเป็นเรื่องเดียวกันแบบอยู่คนละขั้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขเปลี่ยนไปทุกข์ทเปลี่ยนไปสุขอย่างนั้น แต่ท่านให้ค้นหาความไม่ทุกข์ไม่สุขนี่มาอยากไปค้นหาสุขหาทุกข์ค้นหาความไม่ทุกข์ความไม่สุขนี่นั่นเรามาปฏิบัตินี่เพื่อให้เกิดปัญญาพบกับความไม่ทุกข์นะไม่ได้ปฏิบัติรมแล้วจะให้เกิดความสุขนั้นไม่ใช่นะให้เกิดความไม่ทุกข์ความรู้สึกไม่ทุกข์ความโล่งปรงเบาสบายควาโล่งโปรงเบามันก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สุขนะ มันยิ่งกว่าสุขแค่คำว่าบรมสุขนิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นบรมสุขความไม่ทุกข์นั่นแหละคือเป็นบรมสุขถามว่ามันมีอยู่ไหมมีอ ย, อยู่เราก็เจอมันทุกีทุกวันอะแต่เราไม่เคยจุดจํามันเท่าไหร่แต่เราจะไปจเจะเจอเรื่องสุขเรื่องทุกข์เท่านั้นแต่ความไม่ทุกข์เราไม่ค่อยจุดจําจิตเราก็มีคุ้ณทั้งที่ความไม่ทุกข์มีอยู่กับเรานี่แหละทุกวันแต่เราก็ไม่ค่อยไปทําความรู้จักมันเท่าไหร่ เราเราจะไปแสวงหาสุขจะวิ่งหนีทุกมัวแสวงหาสุขวิ่งหนีทุกไ่ความไม่ทุกไม่สุขเราก็ฆ่ามันหมดเราฆ่ามันไปฆ่ามันไปแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่นานั่นแหละที่ฆ่ามันนั่นแหละมันคือตัวที่เราจะต้องได้ได้สั่งสมได้ให้มันพ่อคูให้มันมากขึ้น่ะตัวนั้นตัวไม่ทุกไม่สุขก็มันก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไม มีอยู่นะใช่ไหมมีอยู่ในใกาในใจของเราในความไม่ทุกข์ลองลองลองทำใจให้ถูกะไม่ต้องเสวะหามันด้วยซ้ํานะยังไปหาสุขก็ยังเป็นเรื่องยากใช่ไหมไปหาทุกข์ก็เรื่องเรื่องยากเนีย่ยหาอาหารกินอย่างนี้ว่ายากหาอาหารอร่อยก็จะอร่อยได้ก็ยากอาหารถูกปะ แล้วก็อาหารที่มันกินแล้วอิ่มเนี่ยไม่ยากนะเวลาหิวขึ้นมาปั้นข้าวเหนียวปั้นเนื้อก็อิ่มแล้วกล้วยสักลูกก็อิ่มแล้วอืมผลไม้อะไรก็ได้กินเข้าไปอิม่มไม่ทุกเลยแล้วก็ไม่สุกแต่ก็มันก็อิ่มอ่ะเออเป็นเรื่องตลกม嘛 พิจาราว่าที่มีอยู่แต่เราไม่ไม่ต้องหามันมีอยู่อ่ะแต่เราไอ้สิ่งที่เราหามันกับทําเรื่องราวเยอะแยะเลยถ้าจะกินอะไรจะอร่อยสักอย่างแล้มีปัญหาเยอะแยะเลยแต่เติมอันนี้แต่งอันนี้ซื้ออาน น, นู้ซื้ออันนี้เราก็เลยถามว่าความสุขที่เราแสวงหาเจอแล้วมันอยู่กับเราไหมไม่อยู่ก็ผ่านไปเดี๋ยวก็หามันมาอีกเมื่อใหม่ก็หาใหม่เคยเพียงพอไม่สุขนั้น เคยอิ่มตัวไหนะแต่ถ้าหากว่าเราทำอะไรก็ก็ได้ที่จะไม่ทุกนะทำไปทาเรื่อยๆ แ, แต่ไม่จาเป็นสแสวงหาสุขหรอกแต่ทุกไม่จะเป็นตน้องหนีมันนะก็กทกุก็กำหนดรู้ทุกก็ศึกษาทุกก็เข้าใจเหมือนแซนั่นท่านพูรเจ้าท่านบอกนะทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละ นี่โลดต้องทําให้เห็นให้เป็นให้มีมักทําให้มันเติบโตให้มันเจริญพระพุทธเท่านบอกทุกไม่ได้ต้องหนีทุกต้องเรียนรู้ทุกต้องศึกษาทุกต้อเข้าใจอท่านบอกอย่างนั้นดังนั้นเองเราก็ย่ออริยสีนี่ให้เหลือสองซะทุก ก, ทกับเหตุเกิดทุกเนี่ยเรียกว่ารูปนะ ดับทุกคือกา ร, รมไม่ทุกวิธีการดับทุกนี่ก็เรียกว่านามพอเรามาดูรูปกับนามกายกับใจนี่ก็เรียกว่าดูอริสสีละเหมือนคนดูทุกอย่างนะเป็นรูปเป็นนามนะแต่ที่แล้วมามันไม่เป็นรูปเป็นนามดูที่ไรก็เป็นแทนที่จะเป็นกายมันก็เป็นกูทุกทีแทนที่จะเป็นทุกขแทนดูแทนที่จะเป็นรูป ก, ก็เป็นเราทุกทีนะ เราสวยเราไม่สวยเราดีแล้วไม่ดีเราสุขเราทุกข์ไปเราไปหมดแทนที่จะดูให้เป็นรูป ก, กับนามออนี่คือความยากของมันดังนั้นเราก็จึงมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อเป็นปัญญาให้เห็นร่างกายนี้เป็นเพียงรูปนามไม่ใช่เรามันจะยากยังไงก็ต้องทําเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นนะวุทิเจ้า ว, ว่ามันทางเดียวอะที่จะต้องให้เกิดความไม่ทุกข์ให้ได้เนี่ยด้วยการมาทําอย่างนี้ สมมติเราไปนั่งภาวนาถ้าเราไปนั่งทําความสงบนี่แล้วนั่งหาอะไรหาสุขหรือหาทุกข์หาสุขใช่ไหมเราเคยเจอมันไหมนั่งสงบนั่งหลับตาก็เจอแต่ง่วงเราไม่เคยเจอสุขเลยเจอแต่ง่วงเพราะนั่นไม่ต้องไปนั่งหาหลับตาหาสุขหรอก <c oughs> นั่งลืมตาหาหาตัวไม่ทุกข์เลยเลยเจอเลยลืมตาดูเลย ซึ่งมันมันมีอยู่นะแต่นั้นมาก็วันๆก็หาแต่เรื่องไม่ทุกข์นั่นแหละอะไรก็ได้ที่ไม่ทุกข์กินแบบไม่ทุกข์นอนแบบไม่ทุกข์ทำแบบไม่ทุกข์ยังเหมือนได้ตัวอย่างแหละแต่ไม่ทุกข์ไหนทําไปแล้วมันเป็นทุกข์เล ย, อยเพิ่งทํามันปล่อยไว้ก่อนนะดูให้ดีนะมาว่าเร า, เราใช้ชีวิตแบบตลกตลกอะเราวิ่งหาอะไรกันนะวิ่งหาสุขหาทุกข์ แต่วิ่งหาแต่สุขไม่สุข ไ, ไม่ทุกไม่ต้องวิ่งหามีอยู่แต่ว่าเราต้องรู้จักมันรู้จักแล้วก็พยายามคุ้นเคยกับมันนะเดีย๋ยวอากาศที่เราหายใจนี่ต้องได้วิ่งหามันไหมเพียงแต่หายใจเข้าเนะเก็เข้ามา <c oughs> ไม่ต้องไปวิ่งหาเลยเนะ่ะสูตรเอาที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเราจะว่าออยากจะได้กินหอมๆเนะี่ยต้องหาไหม เรา้อหาเราไปซื้อไปหาไปหาดอกไม้มาไปหาร้านหน้าหมอมันละก็ได้อาหารกินดีๆไงทั้งไปหาปรุงอาหารเดีย๋ยนี่แต่ถ้าหากว่าจะหายใจเอาอากาศเฉยๆนะจิตจืดเนี้ยความไม่ทุกมันจิดจืดมันรุ่มหายใจนั่นแหละมันไม่มีรืมีชาติอะไรหรอกมันไม่หอมเหมือนไงกินมะลิหรอกถ้าหอมเหมือนกินมะลิมันกลายเป็นสูกไปแล้วแต่เราก็เดี๋ยวมันก็หายพอดอกมะลิมัน มันหิวมันเน่าไปไงกินก็หืนเลยใช่ไหมมันไม่หอมแล้วแต่อากาศที่บริสุทธิ์เฉยๆเนี่ยไม่หอมไม่เหม็นเนี่ยมันมันเหมือนกับความไม่ทุกข์นะมีอยู่ใช่ไหมเพียงแต่ตั้งใจแล้วหายใจเข้าหายใจออกมันก็เจอแล้วอากาศบริสุทธิ์ใจเราก็เหมือนกันเพียงแต่ตั้งใจดูมันที่มันไม่สูบไม่ทุกข์ที่มันไม่คิดไม่ปูุงไม่แต่งมันเฉยๆเฉยๆหรือซื่อๆมีอยู่เบาๆสบายๆเนี่ย แต่ร่างกายนี่มันต้องไปตามเรื่องของมันนะเดี๋ยวมันก็สบายเดี๋ยวมันก็ไม่สบายเพราะนั้นเอาความตายตัวไม่ได้เพราะร่างกายมันเป็นรูปมันมีความแปรปรวนไปตามอนิจจังทุกขังนาตาแต่จิตใจของเรานะถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามมันก็แปรปรวนไปตามรูปเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเราเข้าใจมันเสมันจะเกิดการเข้าใจแล้วมันจะไม่ ไม่วิ่งไปตามรูปมันจะไม่แปรปรวนไปตามรูปนามของเราก็นามบริสุทธิ์ละตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวสมาธิตัวปัญญานะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราไปปฏิบัติกันเนี่ยได้เท่าที่เราตั้งใจแหละคนไหนตั้งใจมากทําความเข้าใจได้มากคนนั้นก็รู้สึกได้สัมผัสความไม่ทุกข์ได้เยอะนะคนไหนที่ตั้งใจน้อยอยู่ยังเข้าใจยังไม่ถูกอยู่ มันก็ข้ามไปแหละข้ามความไม่ทุกไปไปหาสูงหาทุกเสียเราก็ตั้งใจใหม่อีกเวันต่อไปเราจะไม่ข้ามนะเราจะเจอความไม่ทุกนอนแบบไม่ทุกนอนยังไงถ้านอนแล้วอยากจะหลับไม่ทุกนะถ้ามันไม่หลับใช่ไหมนอนแล้วไม่อยากหลับไม่ได้เดี๋ยวมันทุกเพราะมันไม่หลับอย่างที่เราต้องการนะแต่นอนแล้วก็นอนมิได้ที่นอนก็นอนเท่านั้นเองนอนเฉยๆหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้นอนดูลงหายใจเล่นๆไป แต่ถ้าเขานอนแล้วเกิดหนะักคุณต่างเวลาเราก็ลุกขึ้นมานั่งคุยกันนะี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่นอนไม่หลับพอไปวันใหม่แล้วง่วงตายเลยก็นอนแล้วก็ดูนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ได้ฝึกฝนปฏิบัติกันระดับหนึ่งพรุ่งนี้เราก็พยายามตื่นแต่เชา้ามาออกกาลังกายกันนะอกําลังกายด้วยทุ่งท่าด้วยยี่กงด้วยแรยงต่างเพื่อให้ร่างกายของเรามีความ ห้องตัวเลิ่นลุมเดินสะดวกเวลาเราไปปฏิบัติตอนกลางวันเราจะไม่ง่วงเบื่อเพลียงเงาเราจะรู้สึกปลอดโปร่งร่มสบายปฏิบัติได้ไง่ายขึ้นนะก็ขอโมทนาเท่านี้เนาะ